ออกจากนี้ๆ10 มีนาคม 2545ณพุทธสถาน ขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอความสุขสวัสดีจงมาเรา 25 เราใช้คําพูดว่ายิ่ง ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันอีก 25 ขุททกนิกายธรรมบทได้กล่าวๆ ก่อนจะกล่าวถึงที่มาที่ไปของถ้อย ทั้ง 3 แห่งนี้อยู่ใกล้ชิดกัน จึงเขียนบทกวีจากสิ่งๆในโลกทั้งปวง จะได้รับรู้ความจริงนําเสนอให้ท่านอนันตสมาคม เป็นสมบัติสถาปัตย์นี้หน๋าสร้างสิ่งสื่อนับถือเพราะความเพียรมนุษยชาติอาจฝึกปรือ ด้วยพระองค์พุทธศาสนา หากมนุษย์อุตสาหะละกิเลสสร้างจิตใจไสวิเศษ บทสุดท้ายขอทบทวนอีกสักครั้ง วิเศษเอ่ยท่านทั้งว่า สกทาคามีผลขั้นสูงขึ้นอนาคามีผลและขั้นสูงสุด ใครให้ไปชมก็ชอบชมทุกครั้ง สิ่งปูสร้างที่อลังการคือเกิดจาก ซึ่งพระองค์ทรงรักอย่างสุดจิต ถ้าเราใช้พลังงาน 20 ดอลลาร์เรา เราพยายามที่จะเดินๆนะท่านทั้งหลายนะ เอ่อการๆ อ่านหนังสือตอนหนึ่งท่านบอกว่าผู้หนึ่งซึ่ง 6800 ปีไม่ทราบ แปลว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ย จัดการกับสิ่งที่มาแอบแฝง ฉันเขียนประนัยว่าจริงๆแล้วมนุษย์ และก็พูดแถมท้ายไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าก็พูดแถมท้ายไปนิดนึงตรงที่ เหตุปกติเราเองก็ไม่ได้แคบนะก็ กามอยู่นั้นเมื่อกล่าวทําย่อมเลอะ นําๆนิพพานเนี่ยน่าจะเป็นจะ เป็นจิตประภัสสรอาตมาไม่เชื่อเพราะว่า ในพระต่ําบิดอกกล่าวไว้ว่าศาลาแห่งนี้ว่างจากว่าง จิตที่มีความว่างจากกิเลสนั้นจะ ถ้าเรากลับไปสู่ภาวะเดิมแท้จริงๆโดยที่ไม่ต้องรอ 6800 ปีตามในหนังสือที่อาจารย์ โยม 40 50 ปีเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอ่ะโยมบอกอาตมา 5 คน 10 2 อาจจะไม่เอาตอนที่อารามมาตั้งสมุติฐานขึ้นมาแต่ถ้า แต่โยมผู้นั้นเนี่ยเป็นคนอีสานเค้าหัวเด็ดๆ <c oughs> คือไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็น แต่ที่เป็นเช่นนี้ก็จะต้อง ฉันจะได้รับความอาศัยหมู่กลุ่มขนาดไหนอย่างไรบ้าง จังหวัดนครสวรรค์กับอ่าจังหวัดพิษณุโลกอารมากับคณะ มีพระรูปหนึ่งนั่งจริงๆ ฉันบอกกับโยมที่ขับรถนึก คนที่จะไปอยู่คนเดียวจะต้องเป็นคนที่ ท่านพูดแต่การที่ฉันได้มีโอกาสอยู่คนเดียวคําตอน 1 ได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ชั้น ไอ้ไอ้ง่วงนี่เห็นเนี่ยเนี่ย สีเขียวอะไรต่ออะไรก็สุดแท้แต่แหมสิ่งที่จะได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าคนขับหลับเนี่ยนะอาตมาคิดว่ามั้ย ผมแนะนําให้ท่านนั่งสมาธิก่อน อยู่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวส่วนตัว เรเรายังไม่ได้รับภาวะๆ ไผไหนมันไหนก็ต้องจิตนิ่งอยู่ตลอดเวลา ทักทายกันบ้างเล็กๆน้อยๆเด็กผ่านโยมไม่ใช่บ้านะโยมๆ ทางคดอื่นเป็นอย่างไรไม่รู้อาศัยอยู่กับความเงียบอยู่กับความมีเวกสงบนี้มีความจําเป็นประการหนึ่งเหมือนกันคนอื่นแต่อาตมาเนี่ย หาเวลาไปบุปเพนิวาสานุสติญาณสยงฉายหนังช้าสโลว์โมชั่นส้ําภาพ อารมณ์ยิ่งถ้าเก่งที่สุดก็คืออารมณ์ในขณะนี้เป็นอย่างไรกี้เนี่ยอารมณ์บวกก็ไม่ต้องบวกอารมณ์ลบก็ไม่ต้องลบไม่บวกไม่ลบเป็นกลางวางเฉยเนี่ยยิ่งรับรู้ความจริงตามความเป็นจริงเก่งที่ เหมือนกับที่คอเนลเขาเขียนบทกวีว่าไม่รู้ๆ จะเป็นเครื่องเปลื้องทุกข์สุขเสเบยใครไม่เคยมองดู ราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะโทสะก็ให้รู้ว่า คือรู้ความจริงตามความเป็นจริงใน จิตของเราจะมองซ้ําเป็นครั้งที่ 2 ใช่ รวมกระทั่งถึงละครทีวีถ้าดูแล้วเกิดความรู้ อันนี้ฟังเถอะนี้ฟังเถอะหนังบางเรื่องภาพยนตร์บาง คนเราบางทีบางครั้งไปติดที่มูลค่ามากกว่าคุณค่าเราบางทีบางครั้งไปจริงๆ คำตอบเพชร แม้ที่สุดถ้าเราดําเนินชีวิตอย่าง ไม่แต่เรามีคุณค่าเต็มที่สุดถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างไม่มี อันนี้เป็นคําพูดของท่านปัญญานันทะขออนุญาตกล่าว เพราะฉะนั้นคนมีราคะมากก็เลยมีราคาสูงอย่างน้ํามัน อ่ะใช้โครากเกวียนใช้ควาย 20 กว่าบาท 20 กว่าบาท 30 บาทที่ 30 กว่าต่อ 1 ลิตร อาจจะเป็นด้วยเรื่องค่าของ 10 ล้านน่ะ 10 ล้านเนี่ย เงินแรกถึง 10 ล้านเพื่อให้ได้หญิงนั้นมาเป็น <c oughs> ที่คนเราเป็นทุกข์ทุกวันโยมผู้หนึ่งเป็นภรรยา โยมไปด้วยกันเนี่ย 40 กว่าที่เขาใหญ่ที่เขาๆเนี่ยเอ่อ ไอ้ความเป็นเจ้าของนี่มันหนักๆเลยอ่ะนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ย ดำเนินชีวิตอยู่อย่างทำประโยชน์แต่ไม่ต้องยึด ภรรยาแบกสามีแบกๆนะในทางนั้นที่ตน ถึงกระทั่งมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ เวลา 8 ขวบมาพบเอกชัย 8 ทั้งๆที่ไม่ได้ 8 ขวบก็สิ้นชีวิตลงเนี่ย คุณงามความใจก็คิดอยากจะไปในทางโลกที่ควรขวบที่พูดทีนี้ ไปสู่มิติเบื้องสูงในระดับ เรายังมีคนอื่นเป็นญาติกับเรามากมายยังมีคนอื่นเป็นญาติกับเรา จริงๆก็เป็นเพราะว่าความเข้มข้น เราไม่ได้สร้างความดีไว้จนเค้าเค้าทนไม่ อืมเพราะคนตายแล้วก็ไม่รู้หรอก วันต่อมาในอำเภอตายจบ <c oughs> <c oughs> คนบางคนเนี่ยก็ๆนะมนุษย์เรา หรือเค้าจะต้องมางานสอบประหลาดต่อเมื่อ เราทําความดีแล้วไม่มีใครลอง แต่กรรมเรแปลว่าทําให้ความดีที่ว่า ไอ้ๆๆๆๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอาตมาคิด ความความดีโยมจําไว้เลยที โดยที่บางทีบางเออการที่เค้าทําในสิ่ง เดี๋ยวไปเข้าใจมั้ยใครสักคนนึงจากเราไปเนี่ย เราพูดผิดไปแล้วต้องนานกว่าจะรู้ตัว พอไปงานบุญบ้านๆระยะหลังเนี่ยตามไวเร็วขึ้นเพราะรู้ว่า แม่ของเด็กหญิงนาเดียเนี่ยเบื่อนายๆทั้ง พ่อได้ยิงนาเดียตัดสินใจคว้าปืนขึ้นๆว่า พ่อขอให้ลูกดูแลตัวเองให้ดีด้วยก่อนนะลูกนะขอให้ลูกดู กำปร่านีหมายความว่าขาดพ่อมีแม่หรือขาด ในอนาคตจิตใจเธอเปลี่ยนแปลงอาจ ที่ไปอ่านหนังสือพิมพ์มาเมื่อสักครู่นี้ วันนั้นยืนอยู่ที่เพชรเกษม ควรจะต้องประพฤติปฏิบัติโดยที่ ไม่เห็นเชือกชักเชิดชูเว้าเห็นตึกสูงจริงๆคนเราเนี่ย เมื่อกับเราเห็นตึกสูงเนี่ยแต่เราไม่ โชว์เสาเข็มหรือเสาเข็มก็ไม่ได้โชว์ตัว โดยที่อลังการหรือความเอ่อยอมรับนั้นเนี่ย ยอมรับคนที่พระประดิษฐ์สร้างขึ้นมามากกว่าที่ไม่ เห็นเว่าลอยลมน่าชมนักแต่ไม่เห็น อัตตามองว่าการบำเพ็ญบารมีในลักษณะ ตามอุดมคติของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ เล็กที่คําพูดของพ่อท่านยอมกรุณาฟังอีก ต่อกันเราช่วยเขาจบเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากเราจบไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยคนให้ช่วยคนอาตมานำถ้อยคําของ ปลาที่ขึ้นมาสู่ที่แห้งแล้วไปปล่อยที่ขึ้นมาสู่ที่แห้งแล้วๆเนี่ยเห็นปลาเออ บางทีเค้าก็โจรกัดหน้าเราอ่ะนะใครอยู่ ไม่ได้หมายว่านึกจะช่วยก็ช่วยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ เขาบอกใช่ฉะนั้นผมนัดเค้าตอนเข 200 น, น. นะ 200 น. ก็ได้ มีคนอยู่คนนึงอุ้มลูกมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าว ท่านนั้นๆก็คือการช่วยตนการช่วยตนเนี่ยคือ จึงคือการช่วยคนไปด้วยคือท่านเขียนไว้ว่าช่วยเป็นการช่วยเหลือตนเองไปเมื่อแม่บ้านเอาใจใส่งานบ้านเป็นการช่วยเหลือตนเองวรธรรมมัว เมื่อท่านเคร่งครัดต่อกฎจราจรเป็นการช่วย เมื่อท่านรักษาจิตของท่านให้เท่ากับ แม้ที่บ้างคนบางคนเนี่ยที่จะๆ ต่อมาก็ไม่ต้องจ้างมาก็ไม่ต้องจ้างขอประการอรโสขิหิกรรมโพคีนะสาธุอสัญญโตปปจิตโตนะสาธุ ได้นํามาประพันธ์เป็นบทกวีส่งท้ายรายการนี้ คารวาศพึงขยันบากบั่นกิดพระสำรวม tat moon kile nai